เป็นพระอรหันตอรหันต์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกันกบพวกเรานอกจากนั้นผู้ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในวัดศาสนาจะเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาอินทร์พมต่างๆก็ไปจากชาติมนุษย์ที่ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้พวกผิดเดชเป็นหมกไหมตกนรกอเวจีเป็นชีเป็นเปรตพอไปจากมนุษย์ที่ทาชั่ว ท, ทําเสีย เมื่อเราทราบอย่างนั้นตัวของเราปัจจุบันเราได้ทำคุณงามความดีไปแค่ไหนจิตใจในปัจจุบันเมื่อจากอัจจาผ่ไปเราจะไปสู่พบใดฉาดใดทราบหรือยังเมื่อยังไม่ทราบจะไปนอนใจตายใจอย่างไรจะต้องเร่งเร่งรีบทำคุณความดีเอาไว้เพื่อให้แน่ใจ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 เขาห้องขังติดตลางาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรนั้นแต่เขาทำชั่วเพราะความไม่เชื่อของเขาไม่นานคนคนนั้นจะถูกเพาจับกุมคุมตัวได้จะพาไปห้องขังเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเขาก็จะเห็นคุกเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นเขาก็จะเห็นคนอยู่ในห้องขังก็ดี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 มันไม่มีความสุขความสบายอะไรคนที่เข้าตารางเขาเล่านี่ก็ไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าไปเหยียบทักทีอะในชีวิตจีเกิดมาชาตินี้ไม่ว่าจะไปอบรมเขาหรือจะเข้าไปดูคนทีเป็นเสื่อนฝุงติดตาราดยังไม่เคยย่างเข้าประตูตารางจึงไม่มีความรู้ส่วนนี้แต่คนที่เขาเข้าไป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 เราก็เห็นกันว่ามันได้นไปสู่ที่ชั่วที่ทุกข์คนททำดีแล้วปัจจุบันทันตาก็พ อ, อ, อเห็นกันได้ว่ามันสุขสบายแค่ไหนคนททำดียอมเสียสละมานาทิศฌิยยอมเสียสละทางกิเลสตัณหาทางโลก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 ใจสงบใจสว่างสวยัยใจใสใจสะอาดถุขทั้งทั้งม่ยทามาค้าขายทำราชกิรสการอะไรจะอยู่ในใฐานที่ลึกจากการคมนาคมแต่ก็มีคนสนใจไปสักการะบูชา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 อย่าเอาฟมาโลกหรือนิพพานกว่าทาเอาได้แต่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทากันจริงๆเรื่องนรกเปรอสุรกายสัตว์ชีวิษเราไม่ปรารถนาที่เราเข้ามาวัดวามาฟังเทศหรือจำศีลให้ทานก็ปรารถนาคุณความดีไม่ได้ปรารถนาจะเป็นเป็นเปรดเป็นผีเราจึงทำอย่างนี้ ถ้าเราปรารถนาอย่างนั้นเราก็มาทำกันแบบนี้ไม่ได้เพราะกลัวจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกกลัวจะไปเป็นเสีพระบูชเทียพระธิดากลัวจีเลียตันหาจะตกเจรลนไฟวิ่งไปหาตั้งแก่สิ่งที่หยั่วยุยจิตใจให้ต่ำซามเท่านั้นคนขี่เป็นแบบนั้นมันก็มี อยู่ในโลกมากดาดดืนเหตยรนั้นเทพุทธเจ้าที่มาตั้รู้ในโลกจึงมีมากแนวสอนสัตว์ขนสัตว์เกิดใจคามไปจากเกิดแจ่เจ็บต า, ายก็ได้แั่งแก่เพียงเล็กน้อยแต่สัตว์ที่มันยังเป็นปะทะปรมะคือมือดอยู่บอดอยู่บอกให้มันรู้สีแสงอะไรเพราะมันบอดมันก็ไม่เห็น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 คือมาตัดมาสอนอยู่เรื่อยผูก ป, ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้ากว่ายังมีเหลือเรื่องพระพุทธเจ้ า, าสอนนั้นพระองค์ยังทรงพระสนอยู่กว่าตามปริจุบันนี้านไปแล้วกว่าตามก่อสอนให้ละชั่วบําเพ็ญดีทําจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคาสอนส่วนใหญ่ที่พระพุทธเจ้ า, าสอน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 การทำคือกรรมที่เราลงมือทำลงไปถ้าเราไม่ได้ทีนี้พิจารณาว่ากรรมนี้จะให้ผลชั่วดีอย่างไรมันก็ทำไปได้ถ้าเราพิจรารณาว่ากรรมนี้เป็นกรรมชั่วเป็นตัวแสบสำคัญเมื่อทำไปแล้วจะให้ผลทุกร้อนไม่วันได้ก็วันหนึ่ง มันจะตามไล่ให้ผลแก่ตัวของตัวทร า, าบในจิตในใจได้ชาติอย่างนั้นมันก็ไม่กล้าทำเพราะไม่มีคนอื่นที่จะรับกรรมที่เราทำแล้วโยนไปให้เขาได้เราเองจะเป็นคนรับกรรมชั่วที่เราทำไปนั้นมันจะผิด่อออกผลแก่ตัวของตัวชั่วเราจึงกลัวยิ่งกว่าสิ่งอื่นที่ควรกลัว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 เราต้องตายเนี่ยคนไม่ปรารถนาตายเขาไม่กินถึงทางนอกมันจะทำถาทีว่ามีรสหวานกว่าตามมันนี่ใจของพวกเราท่านที่อยากจะทำตามชั่วด้วยอำนาจราคาตันหาต่างๆกว่าทำนองเยียวกันเห็นว่าทำไปแล้วมันเป็นพิษเป็นไัยมันให้ทุกข์หักห้ามเอาไว้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 ถาเห็นในจิตในใจชัดเจนอย่างนั้นมันปล่อยได้วางได้ไม่กล้าสามารถที่จะทำกรําดีกว่าทำนองยกกันถึงทุกยากลำบากไม่อยากทำแต่เธอว่าทำแล้วจะให้ผลแต่ตนคงตนคุ้มค่าไม่ขาดทุนสูญหายไปที่ไหนเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นก็ลงมือทาได้ถึงจะยากลำบากเท่าไร กลรมือทาเพื่อผลประโยชน์ที่ตนต่องการนีพระพุทธเจ้าสอนให้ละกรรมชั่วบาเพ็ญกรรมดีและทําทำจิตของตนให้ผ่องใสทำอย่างไรจิตของเรามันผ่องใสหรือมันมืดบอดเดี๋ยวนี้ปกติไม่มองเห็นเพราะเหตุด้เพราะไม่ได้สนใจ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 ปล่อยปะอยู่อย่างนั้นแล้วแต่มันจะเป็นอย่างไรมันก็นเลยไม่เผาให้ตัวของเราได้เกิดได้ตายอยู่เรื่อยรับทุกข์รับโทษอยู่เรื่อยแั่นั้นการฝึกจิตใจเกี่ยบความถ่องใสนั้นถ่าจริงให้มีสติราลึกอยู่มีปัญญาสอบสืบดูจากำหนดลมหายใจ เพื่อจะถูกจิตใจในใส่ชิดปรแแตกต่างๆก็ได้จะกำหนดหมวพุทโธก็ได้แล้วแต่พยายามใสตั้งใจทําจริงๆแางจังจิตถือชิดปริยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนั้นในใส่ทางสุขทางสบายคนที่มีอารมณ์มากอะาไรคนนั้นทุกมากคนที่ละ อารมณ์ได้เท่าไรปล่อยอารมณ์ได้เท่าไรคนนั้นสุขคนนั้นสบายยิ่งอารมณ์ทุกอย่างไหมมะก่อควรจิตใจมันก็สงบจิตใจเมื่อมันสงบมันก็สบายมันก็ผ่องใสเหมือนกันกับน้ําถ้าหากเราอยากจะให้มันสงบอย่าไปก่อควน ม, มันยิ่งควนเท่าไรน้ํามันก็กระเพื่อมเท่านั้นแต่กวรอยู่ เน่นั่นก็จะฟุ้งขึ้นเรื่อยไปถ้าเราตั้งเอาไว้นิ่งๆม่แตะต้องมันมันก็สงบเมื่อมันสงบตะกอนมันก็เจริงไปน้ําใสอยู่ข้างบนเราก็มองเห็นจะริมเดือมมันก็ได้หากตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาเต็มที่เต็มตัวของมันมันก็ไม่นาดือมเพราะมีะแต่ตะกอนมีแต่ ของประปกมีจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันไม่เคยกำหนดให้มันอยู่ให้มันพักให้มันสงบมีแต่หาความสุขหาความเพลินตามอารมณ์สัญญาต่างๆถ้ามีมรรคละศพก็อยากจะไปดูอยากจะไปฟังการไปดูไปฟังมรรคละศพต่างๆนั้น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 ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้มีแต่จิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองล้วคิดได้อย่างนั้นตั้งใจกำหนดอยู่ในบทบริกรรมคลองตัวหรือลมหายใจคลองตัวเมื่อใดจิตไม่ส ง, งบเราจะไม่ปล่อยฝ่าละเลยการกาหนดของเราตั้งใจมั่นอย่างนั้นหรือมันไม่ส ง, งบให้ถึงเวลา งานมาพอสมควรมันอยากจะพักผ่เหน็ดเหนื่อยเมือ่อยหิวเราก็พักผ่ได้ระยะที่เราทําอยู่นั้นจิตไม่เด็ออกแห บ, บออกไปถูออารมณ์อันใหม่เราก็มีความสุขพอสมควรเพราะจิตไม่เด็กท่องเที่ยวจิตอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐาน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 พูดทีอยากจะทำจิตของตัวให้ฟองใสทำใจให้บริสุทธิ์ต้องทำอย่างนี้พูดที่ชอบการเกิอดอีกตายอีกแต่มุ่งดีหวังดีในภพชาติต็รีบเร่งกตะทำบำเพ็ญส่วนบุญส่วนกุศลเอาไปแต่ไปตายใจนอนใจป่ะใครอื่นก็จะทำให้นี่คือกำไรของชีวิต ท, ที่เกิดมาหากไม่ ต่างนาต่างตาทําอะไรวันคืนเดือนซีกวัวหลวงไฟหลวงไฟอย่างเนี้ยความตายก็ไห่มาทุกทีทุกทีผลที่สุดถึงวันถึงเวล า, ลาเขา้าเราจะเหวี่ยงจะหว่ยงสมบัติพัทธสถานบ้านช่องเข่าคลองขนาดไหนมันก็ไม่ฟังเสียงนะลูกยังเล็กยังแดงอยู่ไม่มีใครที่จะดูแลรักษาอยาจะให้ฉั้นตายเถอะ แก่ตัวไม่ได้ถึงการตายมาตายฉันยังไม่ได้ทําบุญบุญทานอะไรนะฉันตายไปแล้วเจอมีอะไรเป็นที่พึ่งมันก็ห้ามไม่ได้อีกเหมือนกันถึงวันมันจะตายมันก็ตายเท่านั้นมันเป็นกันอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ความดีส่วนใดสิควรจะทํำบาเพ็ญได้ในระยะความตายยังไม่มาถึงจึงเป็นหน้าที่ของพเราทุกคนอยู่สนใจในความดี จะสะสมให้เกิดให้มีในกายในวาจาในใจของตนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนโมฆะเกิดมาหาสาระอะไรไม่ได้ตายไปความทุกข์ไม่แลบเขามันก็จะเกิดขึ้นแกเรา ค, คูณเชื่อไหมในทคืองามาำดีอะไรเพราะใน ม, มีสมบัติมันก็จนเท่านั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู่จึงมีกรมรมจิตที่จะทําควยงามทําดีเอาได้เมื่อเราทราบอย่างนั้นจงพากันพยายามจะทําบําเพ็ญเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นดุลเป็นกุศนเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งตนตัดีแก่คนอื่นแก่ทั้งคนตัดีดบิตจะทาบําเพ็ญอย่าไปตายใจนอนใจ ใที่คิดว่าแกนาอย่างนี้รีดประกอบคุณงามความดีของตัวถึงวันตายมาจะมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะในตัวใครคือความตายตายไปแล้วพบหน้าชาติหน้ากรรมดีที่เราสะสมเอาไว้จะส่งผลให้มีการเสียใจเพราะความดีที่เราสั่งเอาไว้มันมีิด ใจของเราอยู่นี่เป็นความดีใจความเต็มใจความสูกใจเพราะความดีติดตัวสร้างเอาไว้ทําไม้มีอะไรมันก็ทุกข์ใจร้อนใจมันแก่ตัวไม่ได้ความตายไม่ว่าจะเป็นนักหัวหรือเป็นฆราวาสไม่ว่ า, า, วาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นเถ่าเป็นแก่แก่ตัวไม่ได้เมื่อยามให้ตายจริงควร สะสมคุณงามความดีเอาไว้เพราะทุกคนจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายเด็กกันเรานั่งพูดกันอยู่นี้อีกไม่กีป่ปีในคนใดกับคนหนึ่งจะจากไปหรือไม่ถึงปียังไม่หมดปีจะนี้จากการไปก็เป็นได้เพราะความตายในนี้เครื่องหมายว่าคนนั้นจะตายหนึ่งตายแก่คนนั้นจะตายวันนั้นวันนี้ ไม่ ใ, น ใ, นใครที่จะทราบความตายของตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเนรเ่องตายใจนอนใจรีบกระทำบําเทนอาเสียไม่มีอะไรก็ตั้งใจนั่งภาวนาบูชาคุณพระพุทธคุณธรรมพระสงฆ์บูชาดยดอกไม้ถูกเทียนเคยบูชามาแล้ววันนี้เราจะเอากายเอาใจอันนี้บูชาพระรัตนใจต่างดอกไม้ถูกเทียน ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็เป็นวุ่นวุ่จิวสนดูหนังฟังเพลงตลอดคืนตลอดวันได้เล่นการพานันไม่กินเลยนอนได้พะใจมันติดใจมันชอบล้วมานั่งภาวนาหาความดีใจมันไม่เอาฐานให้มีใจวิ่งไปอยู่ในวัดก็อยู่ต่างแจกกายใจมันวุ่นเกี่ยวข้าง กับการกับงานกับพี่กับน้องกับเขา่ากับข้องในรักษาใจท้องตัวเราจะหาความสุขความสงบมาจากที่ไหนเราต้องรักษาใจท้องตัวเชื่อมันมีอยู่ในใจก็รีบกำจกัดปัสสาวะมันออกไปดีอะไรที่มันมีแล้วก็รักษาไว้ดีใหม่ยังไม่มีกตททาบาเพ็ญถ้ามันมีขึ้นนี่คือคน ที่สนใจรักษาตนทั้งตนทํำไมสนใจเนี่ยก็เพื่อไปจี้บัตรแล้วอยากจะให้จิตใจมันผ่องใสอยากจะให้จิตใจมันบริสุทธิ์นั้นมันเป็นไปไม่ได้เงื่อนกันกับเราเน่รับทานอะไรและอยากอิ่มเราไม่เดินไปแต่อยากถึงเราไม่ทําต่อยากสําเร็จมันเน่ปราศจากเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้ แต่นั้นทุกท่านจงพากันที่นิพพานาสะสมคุณงามความดีละชั่วจะทำจิตใจของตัวสู่เต่ามองเมืดบอดต่างๆให้โปรง่งใสเมื่อต่าง่าตต่างคนจะทำบงเช็ญตนอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามทำคำสอนของพุทธเจ้าความสุขความเจริญที่เราป่าถนะก็จะเกิด มีมาเสียตัวเพ่งตัวการอธิบายธรรมะเรียองหลักพาะ้งกวนจนิตเวลาเพราะยุคที่เพ่งเฉยด้วลัง